ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนําเสนอสติปัฏฐานสูตรที่ตอนที่ว่าด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทรงจําแนกองค์ธรรมไว้ทั้งส่วนที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ส่วนที่เป็นกลางๆ ก, ก็หมายความว่าเป็นการสรุป สิ่งทั้งปวงไว้ที่คาว่าธรรมะแม้แต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เรากล่าวมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของกุศลอกุศลกับกลางกลางกายก็เป็นกลางกลางเวทนาก็เป็นกลางกลางจิตก็เป็นสองอย่างที่ให้ดูนะฮะคือดูส่วนที่เป็นกุศลกับอกุศล วันก่อนนอนได้พูดถึงนิวรณาปภะคือหมวดที่ว่าดยนิวรนนิวรนเมื่อก็เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสประเภทที่ต้องลดละและในการต่อมาก็พูดถึงธรรมะเออไม่ใช่ขันขันตปะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยขันขันก็คือขันห้าขณะที่จริงก็เป็นกายเวทนาเป็นจิตเป็นธรรม แต่เราก็พบมาแล้วว่าส่วนกายก็คือกายแล้วก็ส่วนเวทนากับสัญญาในที่นั้นที่จริงก็ปนปนกันอยู่แล้วก็จิตตานรัลศาสนาเศรษฐฐานก็เป็นเรื่องสังขารก็เน้นไปที่ส่วนที่เป็นกุศลอกุศลเป็นหลักในขณะเดียวกัน บุคคลทามันก็คือกลุ่มที่เป็นกลางๆเป็นวายแต่พวกสังขารคือสังขาร น, นั้นจะเป็นทั้งสามอย่างเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้พอมาถึงหมวดที่ว่าด้วยอายตนะปัพะคือตัวอายตนะเองเนี่ยมันก็เป็นกลางๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีทั้งภายในภายนอก ก็เป็นวิถีชีวิตมนุษย์ะก็หมายความเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สัมผัสอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพธาตุมารมมันก็มีเท่านี้พูดไปพูดมาก็มีเท่านี้โลกก็เป็นโลกแห่งสัมผัสแต่ว่าประเด็นที่ส่งเน้นย้ำในที่นี้ก็คือให้ตั้งสติระลึกรู้ในแต่ละขณะของจิต เวลาสัมผัสกับอารมณ์คือตาเห็นรูปผูฟฝังเสียงจ ม, มูกรมกลิ่นลิ้นนิ้มรถกายตุงต้องยินร้อนนอนแข็งแล้วก็ใจเป็นเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแต่ที่จริงเราจะเห็นว่ามันจะผ่านกระบวนการของยตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสแล้วก็เวทนาคือมันจะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายในที่นี้ก็เน้นไปที่ ทำความยินดียินร้ายแต่ว่ายินดีนั้นที่จริงเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ยินร้ายนั้นมั น, ม, นมันก็เป็นเฉพาะอากุศลเพราะฉะนั้นคำว่ายินร้ายในที่นี้จึงเน้นไปที่อกุศลยินดีก็เน้นไปเฉพาะกิเลสที่เป็นอกุศลแต่เป็นการเรียกกิเลสที่ลึกลงมาก็เรียกว่าสังโยชน์ สังโยชน์แปลว่ากิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ซึ่งในแง่ของความเปจริงแล้วกิเลสประเภทนี้เนี่ยจะปรากฏไม่ค่อยบ่อยแต่ที่ปรากฏบ่อยๆเนี่ยมันจะออกมาในรูปของอสุวะรูปของโอคะรูปของขันทะรูปของอุปาทานอะไรเนี่ยสังโยชน์ที่จริงก็มีการจําแนกไว้เป็นสองกลุ่ม ลกลุ่มที่จะกล่าวก่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาในพระสูตรอีกกลุ่มหนึ่งก็มาในพระพิธรรมแต่กล่าวโดยสรุปก็คือมันต่างกันที่การเรียงลําดับเฉยๆก็อยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันนั่นแหละพวกกิเลสประเภทนี้บางทีก็เรียกว่าอนุใสอนุัยก็อี ก, อกแหละก็ไม่เคยพูดบ่อยๆ เราจะพบว่าเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีผู้จัสศัตรูพระหารันบรรลุอรหัตเป็นพระาอารหันต์ท่านจะกล่าวว่าอาสวะหิจิตานิวิมุตติสูติจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นเดย อ, อุปาทาน เราหมายความว่ากิเลสประเภทจะเรียกอาสวะกว็ดีอุปาทานก็ดีสังโยชน์ก็ดีอนุสัยก็ดีเนี่ยเวลาเขาเกิดเขาก็เกิดด้วยกันแหละแต่ว่าพูดถึงระดับความหยาบละเอียดที่แตกต่างกันเมื่อการโดยสรุปกุศลาก็แบ่งกิเลสไว้เป็นสามระดับใหญ่ๆนะแต่เราเห็นว่าระดับใหญ่ๆเนี่ยก็ที่จริงมันก็มีระดับย่อยลงมา ยกตัวอย่างเช่นมาทินาทานเนี่ยคือโลภะที่มันเกิดขึ้นภายในจิตถึงจุดหนึ่งไปปร้นจี้ขอรับชั้นโกงกินไม่คำานึงถึงวิธีการในการได้ขอให้ได้เช่นว่าโลภะอย่างนี้มันแรงเกินไปแล้วก็เป็นอันตรายเป็นอันตา ก, กรรมโลภะบางอย่างก็ทำงานในทางสุจริตบ้างไม่สุจริตบ้าง แล้วก็ได้ปัจจัยเหล่านั้นมาเป็นของตนมาครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของถามว่ามีโลภะไหมมันก็มีโลภะแต่ว่าก็อ่อนกว่าประเภทแรกนีโลภะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยทำมาหากินโดยความซื่อสัตย์สุจริไตไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นสมาชีพแต่ถามว่าโลภไหมก็ยังโลภ อ, อยู่ก็จนถึงเรืยไป เป็นของของบุคคลอื่นมันไม่ถึงกับจะไปลักขโมยจะไปข่มขูคุกคามอะไรแต่ไรแต่ว่ามันอยากได้เป็นเรื่งความคิดมันไม่ถึงกับไปจับต้องไปรูปครามอะไรเพียงแต่คิดอยากได้ตนนัวในแง่ของจิตจริงๆมันเป็นมนโนตจริที่เรียกว่าอภิชา แต่ว่ามาก ก, าเกาาลลา็เรียกว่าอภิจาวิสมารุภะเดี๋ยวเพ่งเล็งโลภอยากได้โดยไม่สม่ำเสมออยากได้นี้อยากได้นอนอยากได้น้ำก็อยากได้ไปเรื่อยๆแต่จริงมันประนีขินะเพราะถ้าเรานับว่าไอหยาบกลางละเอียดเนี่ยที่จริงในหยาบมันก็มีหยาบกว่าหยาบหยาบที่สุดหยาบหยาบกว่าหยาบที่สุดกลางก็ กลางกว่ากลางมากหรือกลางที่สุดก็ว่ากันไปก็ตรงนี้ท่านจะแก้ไว้ด้วยศีลหรือจะมาเอาก็จริงศีลมันก็คือแก้กิเลสประเภทเดียวกันกับที่เราพูดในนิวรณหรือพูดในอกุศลกรรมบดหรือพูดในตลอดถึงผูดใ น, นานตะเดียกรรม ปุตในนิยตมิชาทิฏฐิมันก็คือการนี่แต่บนนู้นมันหยาบกว่านั่นเอทีนี้กิเลสพวก น, นี้พอพอละเอียดลงเนี่ยท่านท่านไม่เรียกว่าวิติกรมากิเลสคือกิเลสที่ล้นออกมาข้างนอกแต่ท่านเรียกว่าเป็นนิวรณะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกลุ้มลุมใจทีนี้นระดับสังยศเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจแต่ว่า มันกล้ใกล้ตะกอนที่หนอนอยู่ก้นผัสชนะพอไม่พอใครมากระแทกแรงๆเนี่ยตะกอนมันก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยทําให้น้ํานั้นดื่มไม่ได้แต่ตอนที่ตะกอนมาอยู่ข้างล่างเนี่ย ย, ยิ่งดื่มได้นะแต่ว่าตะกอนขึ้นมาอยู่ข้างบ น, นยมันดื่มไม่ได้คือเราบอกว่าน้ํามีตะกอนแต่ตอนข้างล่างเนี่ยเราจะพูดว่ามีตะกอนมันก็ไม่เชิงก็ที่จริงก็ทั้งทั้งที่มีแต่มันดื่มได้ จานั้นน้ำในตุ่มทั้งหลายเนี่ยในโอ่งทั้งหลายเนี่ยลองดูเถอะคือถ้าเรามองทั้งข้างล่างแล้วมันก็มีตะกอนอยู่ถ้ากวนขึ้นมา<อ>มันก็เป็นตะกอนน้ํามีตะกอนก็ดื่มไม่ได้แต่ถ้าไม่กวนมันก็ดื่มได้ทีนี้บางอย่างเนี่ยแม้แต่กวนเนี่ยเขาเรียกว่าอุปโภคได้แต่บริโภคไม่ได้คือดื่มไม่ได้แต่ใช้รดน้ำํำในล่างพื้นอะไรต่างๆรดน้ําผัก ญาตต่างเนี่ยก็ทำได้ไอ้กิเลสท่านก็เรียงว่าก็เรียงในลักษณะอย่างนี้ผลกิเลสประเภทนิวรเนี่ยไม่ใช่กิเลสประเภทสังโยชน์เนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตอาจจะเรียกว่าอนุใสอาจจะเรียกว่าสังโยชน์ชื่อแตกต่างกันจํานวนก็แตกต่างกันอนุสัยมันมีเจดสังโยชน์มี10แต่อย่าลืมว่าโลกกุหลามีแค่3เท่านั้นเอง มันก็คือการนั่นแหะเพียงแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทละเอียดขึ้นมามันไม่ถึงกับเป็นมนุษย์ทุจริตแต่ว่าพอมีแรงกระแทกแล้วมันจะขึ้นไปขึ้นไปที่จริงสถานะมันไม่ได้เป็นสังโยชน์มันเป็นนิวรณ์ไปแล้วแต่ว่าในที่นี้ทรงดูเวลามันกระตุ้นแล้วมันเกิด ก็หมายความว่าเวลากระทบกับอารมณ์ในกระบวนการปฏิจจสมบาทจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอายจตนะณภายในภายนอกมันมีผัสสะมันมันมีบินญาณมันมีผัสสะมาถึงเวทนามันจึงเกิดตัณหาในปฏิจจสมบัติท่านเรียกว่าตัณหามันก็คือการแหละก็วิถีชีวิตยังมีที่ทรงจําแนกแสดงไว้พิสดารกว่านี้คืออยู่ข้างหน้าเนี่ย นั่นก็คือในสมุทัยวานในอริยสัจก็จะรับสั่งละเอียดแต่เอาจริงเราก็แยกไม่ค่อยทอยนันเงยมันละเอียดเหลือเกินมันเร็วมากก็ดูไม่ค่อยทันก็ต้องพยายามดูดูด้วยจิตดูด้วยการฝึกให้จิตเป็นสมาธิมีสติแหลมคมมีสัมปชัญญะแหลมคมมีปัญญาามีความเพียรที่ต่อเนื่องมีจิตใจที่หนักแน่น มันก็อาจจะแยกได้ไปโดยลําดับทรงสอนโครงสร้างเดียวกับนิวรณ์เพราะว่ากิลเลสเหมือนกันกระรับสั่งว่าลูกกรรพิกูจน์ทั้งหลา ย, ยประการหนึ่งพิสูุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือยัตตนาภายในและายัตตนาภายนอกอย่างละหนะคพิสูจพิจารณาเห็นธรรมคือยัตตนาภายในภายนอกอย่างไร พิสูจน์ในธรรมีในนี้คำว่าภิกษุอย่างที่บอกนะว่าโดยเนื้อสาระหมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏพระธรรมเทศนาสูตรนี้ผู้ฟังมีทั้งพระทั้งคารวะแต่ตามปกติแล้วพระจะนั่งกระนพระพุทธเจ้าสองด้านซึ่งบางครั้งพื้นที่มันแคบมันก็มานั่งต่อพระพักและชาวบ้านก็นั่งต่อไป แต่การรับสั่งลักษณะการรับสั่งเนี่ยลองสังเกตว่ายัางตอนที่จะไปนิพพานเนี่ยรับสั่งส่วนใหญ่เป็นการรับสั่งกับพระอานุ์เพราะว่าพระอนุลท่านท่านา น, นั่งอยู่ใกล้ชิดแต่ก็หมายความว่ารับสั่งกับทุกๆคนนั่นแหละตรงนั้นน่ะเก็ อ, อีกที่รับสั่งเฉพาะตัวก็คือกับท่านสุภัทปริภาชก แล้วก็รับสั่งโดยรวมเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าปัจฉิมพุทธพจน์ที่รับสั่งว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลา ย, าลา ย, าลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์แต่ต้อเข้าใจว่าที่รับสั่งกับพระอานุนก็ดีที่รับสั่งกับสุภัททะปริภาชก็ดีหรือที่รับสั่งรวบลงไปเลยแทั้งหมดเนี่ย โดยเนื้อหาสาระเป็นธรรมะที่คนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเช่นเดียวกันไม่ใช่วันนี้รับสั่งแก่ภิกษุชาวบ้านไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่อย่างนั้นน่คือธรรมะมันเป็นเรื่องสากลมันไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านหรือหรือนัก บ, บวชอะไรอันวันก่อนฟังเขาอภิปรายทางวิทยุเขาสมานาทางวิชาการระวังพูดกับอิสลามที่มาอลไยมิดล ก็สั่งอาจารย์เขาไว้ว่าขอขอเทพรีซีดีสักชุดจะเอามาฟังดูก็ว่ากันตามความจริงวิทยากรแต่ละคนเนี่ยเฉพาะที่ได้ฟังนะแล้วพูดเก่งแล้วก็เข้าใจมีท่านผู้หนึ่งเป็นพุทธเป็นพระท่านบอกว่าเนี่ยว่าอาวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ มันถ้าพูดถึงอวิชชาบางอาจจะหมายถึงในในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพูดถึงความไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ไม่รู้ของพุทธของคริสต์ของอิสลามของพราหมณ์ของซิกของยินดัวอะไรคือไม่รู้อ่ะที่มันเกิดปัญหาทั้งหลายมันเกิดมาจากความไม่รู้วันเราเห็นว่าธรรมะจึงเป็นสากลและมีวิทยากรที่เป็นเป็นอิสลามท่านหนึ่งท่านพูดอ้ออ่างตั้งหกเจ็ดแปดอย่าง ก็ที่จรงมันก็เป็นกระบวนการทางจิตนะฮะคำคํานี้ได้ยินบ่อยได้ยินคุณวินัยสมอุขนี่พูดบ่อยเริ่มเทววิชาแล้วก็อกุศลแล้วคติแล้วก็ อ, กกอยุติธรรมแล้วก็ว่าการเบรยนะฮะแลเกิดถือว่าการเบรยทั้งหมดที่จริงมาเป็นกระบวนก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าได้เทปมาเนี่ยน่าจะ เกิอตอนเ้าสรุปมาหรือว่าเรามาสรุปดูจะได้แนวคิดอะไรต่างๆาจะเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือเริ่มก็ได้นะฮะคือถ้าเราจับประเด็นให้ได้ว่าธรรมนั้นไม่มีเจ้าของธรรมเป็นสิ่งที่มนุษยชาติจะต้องสนักถึงคุณโทษและสถานภาพของเขา คุณเป็นนับถือศาสนาอะไรไม่สำคัญหรอกแต่ที่นี้เราก้าวเดินไปไปไม่ถึงตรงนั้นที่มีปัญหาเนี่ยเราก้าวเดินไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็ลองสังเกตว่าต่างคนต่า็ปกป้องศาสนาตัวเองเมื่อก็มีวิทยากรที่เป็นที่เป็นอิสลามท่านถามรู้สึกน่าจะเป็นพิธีกรครับก็ถามว่า มาความนในศาสนาพุทธเนี่ยมีไหมที่มีความรุนแรงคือท่านผู้เรียงตอบนี่หลบไปไปพูดเรื่องตัวศาสนาธรรมคือศาสนาธรรมกร น, นีแน่นอนเลยไม่มีการสอนให้เกิดความรุนแรงสิ่งที่ส่งสอนให้ค่าคือเฉพาะกิเลสเท่านั้น แต่เาขาฆ่าเราเนี่ยธงทรงแสดงไว้ในพระสูตรวัฏ ถ, ถามพ่าภิกษุถ้าหากว่าเขาเาเลื่อยมาตัดตัดท้องเธอเนี่ยเธอคิดยังไงถ้าหาว่าเธอคิดโกรธเนี่ยก็ผิดแล้วคิดประทุษร้ายต่อคนที่ทำเนี่ยก็คิดผิดอล้เอาขนาดนั้นนะฮะขนาดว่าเพื่อนมาเลื่อยคือเพื่อนมาเลื่อยตัวกกๆรกจะตายไม่ตายแหลอย่างเงี่ยยังไม่ได้คิดประทุษร้ายเลย ก็ฝึกปือกันขนาดนั้นแต่ถามว่าคนนี้นับถือพุทธมีไหมที่รุนแรงมันก็เยอะแต่ว่าข้อที่ที่ต้องสังเกตนะว่าที่เขาทำรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ทำในนามศาสนาอย่างดีก็ทำเพื่อปกป้องศาสนาศา ส, สนาถู ก, กคุกคาม แล้วก็พระเองก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทางบ้านเมืองก็ใช้วิธีการหรือบางทีก็ต้องการสร้างเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจแต่ว่าไปอ้างนามศาสนาว่าสอนให้ทำอย่างนี้เราถือว่าเป็นเป็นบุญที่ฆ่าศาสนาหรืศาสนาอื่นในอย่างนี้ไม่มีแต่ตอนอิสลามก็ตอบเนี่ยก็ตอบไปหลบไปหลบมาเหมือนกันแต่ว่าเขาตอบจริงๆทีหลังเนี่ตอบไปยังไงก็ไม่ได้ฟังเพราะว่า ไปถึงเวลาฉันเพนจะกันก็ยังนึกว่าถ้าถ้าเราเข้าใจอนะฮะแต่เข้าใจซึ่งกันอะไรกันอย่างที่บอกว่าเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันอะรกันมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเข้าใจอีฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเข้าใจฝ่ายหนึ่งเนี่ยผัวกับเมียงอยู่กันไม่ได้เลยมันต้องพูดมากหรอกพ่อแม่ลูกยังอยู่กันไม่ได้ นับภาษาอะไรกับโวกับเมยียนะพ่อแม่ลูกยังอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่ยอมเข้าใจถึงกันอะไรกันเนี่ยแต่อยู่ก็ต้องอดทนกันสาหัส ก, กันเพราะเราเห็นว่าการกระทบอารมณ์เนี่ยเวลามันเกิดไอ้กิเลสเหล่านี้ยคนอื่นจะได้กิเลสหรือไม่เรียกก็ไม่รู้นะแต่ตรงเนี้จะเรีย ก, กว่านิวรณ์รับสั่งว่าภิกษุในธรรมในนี้ย่อมรู้จักการู้จักรูป รอยยันตาคืออายตนภาภัยในรูปก็คืออายตนภาภัยนอกเละรู้ จ, จักสังโยชน์ที่อาศัยตาและรูปทั้งสองเกิดขึ้นคือเวลาเกิดอย่างที่บอกว่าแนวนิวรณนน์นี่แหละมันไม่ได้เกิดตามลําดับของสังโยชน์หรอกมันเกิดตามพื้นจิตของคนที่กระทบอารมณ์ในแต่ละขณะเนี่ย<อ>ก็นั่งมาแล้วมาเคยเคยทดสอบนะทดสอบคนก็นั่งอยู่หลายคน เรียกตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งขนาดใหญ่ถามว่าต้นไม้ต้นนี้ยถ้าเขาให้คุณเนี่ยคุณจะทําอะไรส่วนใหญ่คนไปใช้ประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเลยสมพานก็ดีหน่อยนะะอย่างพูดถึงจะเอาไปทําโบสถ์เอาไปสร้างโบสถ์ครูก็ส่วนหนึ่งเอาไปสร้างโรงเรียนแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้โตขนาดนี้นี่หายาก จะขออนุรักษ์ไว้แล้วในความคิดอย่างนี้จริงๆมันหายากเราต้องการให้คนดูต้นไม้ต้นเดียวแล้วก็ช่วยกันคิดทีว่าคุณจะคิดยังไงกับต้นไม้เนี่ยสมมติเขาให้คุณแล้วก็ต่อมานก็เปลี่ยนเปลี่ยนคําถามนะฮะคาถามคนชุดเดียวกันเรากเปลี่ยนคําถามเแ็นว่าสมมุติว่าคุณถูกสลักกินแบ่งสมัยนั้นก็นานแล้วนะมายัางบุตรใหม่เก่าประมาณห้าแสน ถามว่าคุณผูกสลา ก, กินแบ่งห้าแสนเนี่ยคุณเอาเงินไปนทำอะไรก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ใช้นี่บ้างใช้ซื้อนาบ้างใช้ซื้อโคบ้างใช้ซื้ออุปรกรณ์ต่างๆก็ตามพื้นฐานการคิดเนี่ยมีครูกับพระที่จะเอามาซ่อมโรงเรียนซึ่งชำรุดแล้วพระเองนั่นก็จะเอาสมภารเนรุจิเอามาทำโบสถ์าเสร็จเอเมนไหมเวลาเห็นรูปเนี่ย เห็นรูปเห็นรูปต้นไม้ตนม้ตนหนึ่งกับเห็นเงินห้าแสนนี่คิดไปเหมืนหนนอนกันเพราะกิเลสมันจะมีลักษณะอย่างนั้นแหละมันไม่ได้หมายความว่มาเกิดตามลำดับของสังโยชแต่ว่าเกิดตามจิตที่เรากําหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆอาจจะเป็นที่ตั้งแต่แ ต, แต่แต่สรุปแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปของราคะโลภโทสะโมหะมันจะออกมาแนวนั้นอาจจะริษยาอาจจะวิหิงสา แต่ก็แต่กิ่งก้นากนราคาออมาจากความลบกดลงนั่นแหละทีนี้อนหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เก like so, like? ิดข like bon ึ้นด้วยประการใดและรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอาศัยตาในรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอนหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดยมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดยมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย สัญญทติละแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย, ย่อมรู้ชัดดยประการนั้นด้วยทั้งฟังจะสังเกตว่าโครงสร้างคำถามเนี่ยมันก็มีห้าเหมือนกับนิวรณนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนกิเลสกิเลสดึกลงไปแต่ครั้งแรกก็คือตากับรูปหูกับเสียงจ ม, มูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่กายกระทบที่เรเรียกผูัแล้วก็อารมณ์ กับใจคือธรรมะลมกัะใจอันนี้ก็ทุกคนรู้จักแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าเราเห็นรูปปับ๊บเราชอบปุ๊บเราเกลียดปุ๊บเนี่ยจริงๆมันเป็นกระบวนการทางจิตคือมันไหลมลัน่ะอายตานะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาเอาเกิดตัณหาเกิดยินดียินร้ายจริงๆแล้วมันผ่านกระบวนการทางจิตมาเยอะ แล้วก็อาจจะเยอะกว่านั้นแต่ว่าพูดกันตดยทั่วไปก็เอาขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะฮะก็ตามไม่กระทันละก็สังโยชน์ข้อแรกคือสักกายทิติความเห็นเป็นตัวเป็นต น, ตนตมีตัวมีตนตลอดทุกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เป็นพวกเราพวกเราก็ขยายไปพยัยนที่บอกนะฮะว่า จริงๆธรรมชาติของของมนุษย์น่ของสัตว์ในวันวันก่อนที่เขาพิปรายเนะี่ยคนอิสลามก็ติงนะว่าที่ชาวพุทธบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์โลกชนิดหนะึ่งเขาบอกเขาไม่อยอมนะมนุษย์ก็คือมนุษย์สัตว์ก็คือสัตว์อันนี้มันเป็นเรื่องภาษานะฮะคือภาษาอิสลามมันไม่มีคำอย่างนี้หรอกอันนี้เราใช้โดยภาษาบาลี ภาาบาลีคำว่าสั ต, ตวะเนี่ยแปลว่าผู้ข้องผู้ติดอยู่มันครอบคลุมหมดเลยสรระชีวิตทั้งหลายเนี่ยสรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ ย, าา ย, ยบางแห่งก็เรียกว่าภูตะ ส, สัมพเพสีกิจจากพระนาคามีลงมาเนี่ยมันอยู่จุดนี้ทั้งหมดแหละเพาะคนที่ไม่ข้องไม่ติดก็มีเฉพาะพระพุทธเจา้าพระอระหันต์ทั้งหลายเรคาคําว่าสัตว์ไม่ใช่คำหยากนะฮะมันเป็นอาการทางจิตที่ยังข้องติดอยู่ เราก็เรียกว่าสัตว์แต่ว่ า, าคนเราในบางทีเขาอ่อนอย่างอย่างเนี้ยอย่างบางบางทีเรียกคําว่ามนุษย์แล้วโกรธจะเรียกคําว่าสัตว์ไม่โกรธอา้าวไปอย่างนั้นไปก็คํำนี่เราก็ไม่ควรจะไปติดใจนะแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาใช้เป็นภาษาบาลีมาเขาไม่ได้ใช้เป็นภาษาอาหรับอะไรภาษาอาหรับเราก็ไม่รู้ว่ามันก็แปลว่าอย่างไง ก็ทำยังไงว่าเราจะใช้วิธีของมนุษย์ได้ล่ะแต่ถ้าวิธีมนุษย์จริงๆนะมนุษย์จริงๆในความหมายพุทธมันก็ยากอีกแหละเพราะว่าจะไม่เบียดเบียนกันเลยนะฮะถ้ามนุษย์จะไม่เบียดเบียงกันเลยย่างที่เคยบรรยายไว้ในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่พลเอกเสรีดัทนทำซีดีเผยแพร่ มนุษย์ไม่ใช่ง่ายไม่จะพูดไม่ใช่อาศัยรูปร่างกายมนุษย์ไปอยู่ที่พัฒนาการหนึ่งจิตอย่าลืมนะนะมนุษย์เนี่ยเป็นคําบาลีกับคําสันสกฤตไว้เวลาความหมายมันก็ความหมายของบาลีสนันสกฤตทีนี้ถ้าเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์อุ้ยเรื่องใหญ่เลยปัญหาว่าทํำยังไงจะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้ล่ะทีนี้เราจะเห็นว่าสัญญน์เนี่ยพอไว้สักกายทิฏฐิ มันอากข้อจริงเนี่ยเวลาท่านอธิบายเนี่ยเราก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะท่านแยกออกไปตั้งยี่สิบนะฮะคือหมายความมาขันห้านี่อย่างที่บอกขันห้านี่มันหมดโลกแล้วนอกจากนิพพานนอกากนั้นจะอยู่ในขันห้าทั้งหมดเลยเพราะการศึกษาคุณจะเรียนถึงปัญญาอะไรก็ไม่รู้ที่จริงคือการพัฒนาขันห้าแต่ตอนนี้ปัญหาสําคัญว่าเราสื่อสารกันแล้วเราไม่สามารถทําความเข้าใจกันได้ แลยก็เชียงกันไปใหญ่โตเลยรุงรังพันเตไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างแวดวงของวิชาการเนี่ยนะอย่างตอนปลายเดือนพฤศจิกายนค็ไม่ได้อ่านรายละเอียดหรอกคือรู้สึกว่าถ้าครูบาอาจารย์เดินขบวนหรือพระเดินขบวนน่ยมามันสลดมันสลุดทดูคือไม่อยากสนใจไม่อยากรับรู้ เราไม่อยู่ในวิสัยที่จะพูดอะไรกับเขาได้แต่ว่าจากการฟังข่าวว่าไม่ต้องการให้ใช้คําว่าสมัครใจมันแสดงความคิดคุณเป็นพฤติ ก, การนะไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณมีสิทธิอะไรจะห้ามเขาสมัครใจหรือพวกคุณอยู่กันกีวน่วันคุณก็กเกษียณคุณก็ตายแต่ว่าอาบต อ, อ, อบตกับ เ, เนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันจะอยู่กัน ก็ช่วตลอดไปนะฮะตลอดไปก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่าต่อไปในโลกมันก้าวหน้าความคิดคนมันเปลี่ยนแล้วเขาก็ปรับปรุงเขาได้อย่างยกตัวอย่างมาวิทยาธรรมาศาสตร์ตอนสมัยที่เขาไปซื้อทีอ่ดินที่รังสิตรู้สึกตอนนั้นมา150ไร่มาก็ไปบรรยายมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบนุน ว่าไม่ต้องการไม่อยากไปไม่เห็นด้วยมันไกลค่ารถก็แพงเดินทางก็ลําบากแล้วไกลบอกอาจารย์ก็ไม่ได้สร้างอาจารย์หรอกตอนนั้นอาจารย์ก็เสียณแล้วอาจารย์ที่จะเดินทางคืออาจารย์รุ่นใหม่นักศึกษาตัวศึกษาที่เรียนนี่ก็คือนักศึกษารุ่นใหม่มันไม่ใช่อาจารย์คือทำไมเราต้องยึดติดว่าต้องเป็นเราล่ะคือคนแต่คนนี้มาเคลื่อนไหวนี่อีกไม่กี่ปีกเกษียณหมดแหะ ปลอยเปิดโอกาสให้เขาหายใจหน่อยได้ไหมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะคุยกันได้เขาจะรู้เรื่องพอปทก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานคัดสรรคนที่สามารถในการนำมีวิสัยทัศน์มีความคิดเรื่องเราจะเห็นว่าจริงมันก็แนวเดียวกับการเลือกรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าตัวเลือกรัฐบาลก็มากกว่าแต่นั่นเองวังถึงยุคนึงเราก็ได้คนดี แล้วจะแปลกอะไรหรอถ้าช่วยกันบริหารจัดการคือสนับสนุนกันคือยังยังนึกว่าเอาอปทมาปกครองครูจริงๆเนี่ยคงไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะอะไรหรอกแต่จุดหนึ่งเนี่ยเมื่อพัฒนาขึ้นไปเนี่ยไปได้จะต้องพัฒนาก่อนเพี่ยนแต่ว่ามันเกิดขึ้นองค์กรนนี้มันเกิดขึ้นใน ล, ลักษณะจริงสุกรหามเราไม่พัฒนาคนขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็จับคนไปใส่องค์กร ซึ่งที่จริงแล้วคนจะไม่พร้อมอยู่เยอะอย่างที่เรามีข่าวอยู่บ่อยๆเนี่ยปปตบางทีก็ขัดแย้งประโยชน์ก็ยิงกันตายเกลี้ยงเลยแค่นั้นก็แสดงว่าเราเราวิธีคิดของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะเพราะเรามีสักยติทิฏฐิชั้นใหญ่อะชั้นเก่งคล้ายๆกับตัวเองจะอยู่ตลอดไปแค่ในตัวสักยติทิฏฐิตัวเดีดวี่ยุ่งมากอะอหังการอะมันเกิอดอหังการนี่คือฉันให้ฉันเป็นอะ ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้จนถึงกระฉันคล้ายๆจะอยู่ยั่งยืนตลอดไปฉันจะอยู่ข้างฟ้าอันนี้คือของฉันของฉันของฉันของฉันความคิดเหล่านี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมันจะเรื่องสละได้ง่ายนะทีนี้พอพอท่านขยายเนี่ยท่านจะขยายออกไปเป็นยี่สิบหมายความมาขันแต่ละขันเนี่ยมันจะแยกออกไปเป็นสี่ เป็นความคิดว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนสี่กรณีนะตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนไอตอนเนี้ยกลายเป็นทิฏฐิสารพัทิฏฐิกลายเป็นทิฏฐิก 62, หกสิบสองนะฮะลอนังเกตอะมันมันเป็นจะไปผูกโยงกับลักษณะอย่างนี้เวลานี้ความคิดของคนเนี่ย มันต้องการแสดงอัตราตัว ต, วตวนของตัวเองปัญหาว่าดีหรือไม่ดีอัตราตรงนั้นมันดีหรือไม่ดีรเราเห็นว่าพุทธเราเนี่ยเราไม่พูดอัตลักษณ์อัตลักษณ์มันคืออหังการหังการเราก็น่า ม, มือตาลายเลยไม่ยอมรับใครเลยคือหมายความว่าพระเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเสมอไปเพราะวินัยบางอย่างเนี่ย มันเจาะจงเฉพาะที่อินเดียแต่นั้นเองบทบัญญัตเฉพาะอินเดียเนี่ยมันก็คืออินเดียไม่ได้เกี่ยวกับพระที่เมืองไทยพระเมืองไทยไม่จําเป็นจะต้องไปปฏิบัติตามอินเดียพระที่เบรทขึท้นหนาวถ้าก็นหนาวท่าก็ต้องคิดอยู่ให้ได้ในทางกลางหนาวเพราะพระเจ้าจริงๆสอนไว้หลวมๆนะว่าให้นุ่งหม่มให้เป็นปริบุญทนคือนุ่งห่มไม่เรียบร้อยอย่านุ่งห่มแบบชาวบ้านเท่านั้นเอง ใช้คำว่าท่านนั้นเน่เพราะนั้นคือสัพพ น, นิสตญาดมันไม่ใช่ลงตัวอย่างนั้นคือถ้าเราไปอยู่เมืองร้อนล่ะอีกแบบหนึ่งและเมืองหนามันก็อีกแบบหนึ่งทีนี้มันมั น, ม, นมันพอพอรู้สึกเป็นอัตลักษณ์เนี่ยเราเห็นว่ า, าเช่นเราไปเจอพระที่อเมริกาไปเจอพระที่อังกฤษกรีฑ ท, ท่านสวมเป็นรูปคล้ากระเสือ้อแขนยาว กันหนาวนี่โอ้ใครจะเป็นจะตายเลยก็มันแสดงก็ยึดติดในแนวอัตลักษณ์แต่พูดมันไม่ยึดติดในแนวอัตลักษณ์สอนไม่ติดในอัตราโดดนะเนเนี่ยกรศักระยัติทิฏฐิที่จริงเราสอนให้ทำลายแต่ว่ามีบางบางทีเนี่ยมันเกิดสอนให้หล่อเลี้ยงพยายามรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้ น, จ ะ, งงนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นี่เสร็จแล้วก็ลําบากเพราะแนวตัวนี้แนวสัจยกิจิเนี่ยพอมาถึงเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีอยู่ในเวทนาก็สรุปว่าง่ายๆเนี่ยคือขันห้าเป็นตนตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าไอ้ทีนี้ตนอีกทีก็ยุ่งละตนนี่คืออะไรอ่ะนิยามความหมายแตกต่างกันเยอะ ในสังคมอารยันเนี่ย ก, ก็แตกต่างกันเนยอะ ก, กลายเป็นทิฏฐิประเภทต่างๆอย่างในพระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้ในภูมิชาลาสูตรนะในประสูแรกในทีฐิกนิกายเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนนี้เนี่ยหกสิบสองหกส6บสองทิฏฐิด้วยกันก็ยังยังยังนึกถึงบรรพชนเราเนะ ย, ยุคที่ประสนณะพระอุตระทันมา มาเรยแผ่ศาสนาที่สุวรรณภูมิคนไทยก็อยู่ตรงนี้แล้วนะบนรณฑิชนไทยเราอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าชื่ออะไรในะตอนนั้นเรียกไปเรียกไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ม่ใช่ไม่ใช่สยามสยามเพิ่งเรียกทีหลังพระโสดาบุตรุตระท่านเทศที่อ ท, ที่กรณีกายสูตรแรกเนี่ยพระมหาสาลสูตรเนียคนฟังบรรลุมักผลนะฮะโอโหเก่งจังคนฟังบรรลุมักผล แล้วก็ออกบวชมีผู้หญิงก็ออกบวชแต่ ว, ว่าบวชเป็นเป็นเป็นชีประขาวไม่ชีเนี้ยคนสืบต่อมากลายเป็นเป็นไม่ชีทีหลังแล้วก็ดูว่าสักยะทิฏฐิมันเกิดไหมมันเกิดรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาไหมดูง่ายๆเนี่ยฮะเช่นเช่นสมมติเราไปในะที่ใดที่หนึ่งคนต้อนรับเราไม่เหมาะสมคล้ายๆกับไม่อีนางขังขอบไม่สนใจเนะี่ยถ้าเกิดโทสะนี่แสดงว่าอัตตามันเกิดละ เกิดโทสะเนี่ยตามกิดอ่ะหรือบันทีเช่นเป็นพระผู้ใหญ่นะไปถึงเขาส่งน้ําใส่ขวดให้ดื่มเนี่ยเกิดโทสะอ่ะทีคนหลักคนผู้หักผู้ใหญ่เวลยเนี่ยนะฮะเขาใส่น้ำใส่ขวดมาไม่ไม่เป็นใส่กีใส่อะไรต่ไรโอ้มันรู้ระมากแล้วเกิดเกิดสักกัจทิติขึ้นมาแล้วเกิดโทสะ เพราะนพระพุทธเจ้านี่สอนให้ลดอัตตาว่าบางทีนี่ยทำตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าทำตัวเหมือนกันดินทำตัวเหมือนกันานา้าทำตัวเมืออกันลมทำตัวเมืออกับไฟทำตัวเมือนกับอากาศเราจะเห็นว่าพวกนี้จะไม่ยินดียินได้เพราะไม่เอาอัตตาเข้าไปรับให้ลองสังเกตว่าถ้าคนด่าแล้วเราไม่รู้สึกเขาด่าเราเนี่ยเราไม่โกรธ แต่ที่เราโกรธเนี่ยเรารู้สึกก็ด่าเราเราเราก็ไปรับอัตตามันใหญ่อะ่พะพออัตตามันใหญ่เลยปะทะแรงเพั่งก็สักแต่ว่าคำอะ่ะคนก็สําราก์พอสำราคออกมาเขาก็เป็นกายทุจริตเป็นวิจิตรจริตอย่างน้อยวิจีทุจริตก็มรรลุจริตแล้วเราก็ยังสุจริตอยู่ก็มไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขา ในนิธามันเกิดขึ้นยังไงไอ้อัตตาเนี่ยมันเกิดโดยธรรมชาติของมันนะฮะมันมา <laughs> ตั้งแต่ลจิตสันดานมันเลยนะรู้สึกว่าตัวเป็นนะเราจะเห็นว่าอัตตามันสัมดงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแนตะ่เกิดแว่มาถึงมันแสดงนะอัตตาเนี่ยแสดงยินดียินร้ายนะด้วยการร้องไห้ด้วยการกดังอาจจะไม่ถึงกับหัวเราะ น, นะเด็กเล็กๆเนี่ยแต่เราเห็นว่าอัตตามันก็เกิดมาตั้งแต่นั้นเปลี่ความคิดที่ว่าเด็กทารก บริสุทธิ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยบริสุทธิ์ไม่เกิดหรอกเพราะไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจึงเกิดเกิดมาแล้วเราจะเห็นนักแก้อัตตาเข้ามาเลยตาแลว้วก็เวลานี้เราไปสืบอัตาเด็กเยอะนะทําให้อัตาบางทีก็สื่อสารกันไม่ค่อยได้แล้วมีปัญหาต่างๆเยอะเราแกก็อธิบายได้มันก็เกิดมานะนะเราจะเห็นว่าเกิดมานะพวกนี้ก็นําไปสู่หมดอะ ไม่สูงหม ด, ดอัตตายังอยู่เนี่ยยังไงยังไงมันก็ยุง่งอัตตาเราต้องเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเป็นอนัตตานะฮะอนัตตามันปลาไม่ถูกมันไม่รู้ปลาอะไรนั้นนี่คนรับกับปลาได้นะแต่ไม่มีคนนับแล้วก็เหมือนกับพระรัตวาชาพรามดาพระพุทธเจ้าอากสะราาพรารัตวาชพราหมมาดาพระพุทธเจ้า ผูเจ้ารับสั่งถามว่าพรามเวลามีคนมาที่บ้านพรามก็เอาอาหารมาตอนรับแขกถ้าแขกเขาไม่กินล่ะอ่า น, นั่นจะเป็นยังไงแกบอกก็เป็นของแกผูเจ้ารับสั่งมาเมือนกันนะ่ะที่ที่ด่าทั้งหมดเนี่ยไม่รับนะเลนไอ้พวกผเจ้าไม่มีอัตราไปรับไอ้การดา่ามันก็สักแต่ว่าขึ้นเสียงขึ้นเสียงเฉยๆ เพราะเวลาสอนจะสอนสักแต่ว่าเสียงสักแตว่รูปสักแตว่เสียงสักเตว่ากลิ่นสักเตว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์หรือว่าสักแตว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สักแต่อะไรก็ได้นะอายตนาภายในแวดนอกก็ได้เพราะพวกนี้กิเลสมันจะเกิดได้ทุกตอนสัญญัติมันจะเกิดขึ้นมาได้ทุกตอนเกิดที่ย่าญาณภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ที่วิญญาณก็ได้ที่สัมผัสก็ได้ที่เวทนาก็ได้แล้วก็ซ้อนลงไปที่ตัณหาก็ได้ ตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้ท่านสายชนลองสังเกตนะเช่นเรากินขนมอร่อยสักอย่างหนึ่งอีกสองสามวันอยากกินอีกละก็แสดงว่าตัณหามันมันมันเกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเพราะเรากินพออร่อยแล้วมันเกิดความพอใจเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนามันก็เป็นตัณหาและเก็บไว้ไายในใจก็จะอันสาธะเกิเกิดความยินดีตื่ถึงจุดหนึ่งก็อยากกินต่อก็แสดงว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหาได้ก็ตื่น เกิดซอนกันไปอะนะอันนี้ก็คือสักยัติทิฏฐิตรงนี้จะละได้โดยประการใดมันก็ต้องลดนะต้องอาการแสดงสัมมาคาระวะอะไรแต่ออไรต่างๆเราจะเห็นว่ามันจะลดอัตราลงไปการยกมือไหว้คนเนี่ยการแสดงสัมมาคาระวะการยิ้มแย้มแจ่มใสการรู้สึกดีต่อคนทั้งหลายเนี่ยเราว่าคนไม่เคยคิดนะเวลาเนี้ย เวลาเขาพูดเล่าโบราณว่าพันยาเนี่ยก็กราบเท้าสามีก่อนจะนอนโอ้ต่อทานกันคุณสุภาพสตรีทั้งหลายมาแรงเลยดุเดือดเลือดพล่านมาเลยใน ต, ตอนที่พูดว่าคำว่ารวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายเนี่ยไม่ชื่นชมกันเอ๊ะแปลกเกลือใจ น, น, นั้นแสดงถึงอัตตามากเลยแต่นี่แสดงให้เห็นมันลดอัตตาลงไป ทีนี้ควายสามีพอถูกกราบเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องลดตาตัวเองลงหลับไปด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยกันทั้งคู่เป็นสายใยของความรักความผูกพันถ้าตั้งหลายจะสังเกตนะตอนที่สมเด็จพระเทพเสด็จแคว้นโอริษาเนี่ยโอริษาคือการิงคราชสมัยพระเวสสันดรนะฮะสมัยพระเจ้าอาโศก คนเขาสวมพวงมาลัยนี่แสดงความเคารพสูงสงนะฮะแล้วก็รูปที่พระบาทแล้วก็วันทาที่หัวนั้นแสดงถึงความเคารพสูงสุดนะีะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันลดอัตราเราอะการที่เราไหว้คนคนหนึ่งได้เนี่ยแสดงอัตราเราต้องเล็กถ้าเราคิดว่าเราใหญ่กว่าเขาที่เราไหว้ก็ไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมไงอปาจายนะใหม่ เป็นบุญจังหนึ่งอปิญญาะใหม่บุญบุญที่เกิดขึ้นโดยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายนะจริงๆไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะแข็งกล้าวยังไงกับเด็กก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะะทุกคนต้องปฏิบัติทำทีนี้ถ้าหาว่าที่เกิดที่ที่ละไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดให้รู้โดยประการนั้นไอ้นี้เรื่องใหญ่เลย พระคนที่จะละสักกายทิฏฐิได้มีเฉพาะพระโสดาบันเท่านั้นพระโสดาบันขึ้นไปนะฮะเกิมาควา ม, มาละที่ระโสดาบันละด้วยโสดาปฏิมากเพราะความเป็นระโสดาปฏิมากเนี่ยท่านทิฏฐิสัมปันโนคือท่านสมบูรณ์ในทิฏฐิคนสมบูรณ์ในทิฏฐินี้ไม่ได้คิดว่ามีตัวมีตนไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาท่านก็ดับตัวนี้ได้ สันดับความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนลงไปได้เป็นเราเป็นเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาเมื่ะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อมันมั น, ม, นมันปิดตรงนี้ได้มันก็ปิดประตูนรกได้ในขณะเดียวกันความเชื่อของท่านนศรัทธาของท่านนี่สมบูรณ์แล้วก็ศีลสมาศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอ ป, ประมาณปัญญาพอประมาณทําให้ท่านดับสังโยชน์ได้ถึงถึงสามข้อนะฮะ วันนี้ก็มาอยู่แค่สักกายทิฏฐิซึ่งจะเห็นได้ว่ากิเลสประเภทสังโยชน์เป็นกิเลสประเภทที่ชช้อริยมรรคทางรับ ล, ละได้เนี่ยอย่างอื่นละไม่ได้แต่ข้อหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทที่ละเอียดศีลเนี่ยมันก็ละกิเลสประเภทเนี้แต่หยาบสมาธิเนี่ยมันส ง, งบได้กิเลสระดับเนี้ยแต่มันกลางๆง แต่ถ้าละเอียดแล้วก็ต้องอาศัยอริยมรรคทุกข้อเพียงแต่ว่าข้อใดละ ด, ด้วยอริยมรรคข้อใดแต่นั้นเองต้องฟังแต่ไหนเสียงทําจากหมหาวิทายาลัยศรีวิทุลในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังแต่หลายโดยทั่วกันสวัสดี